เรื่องของการบวชพระมีชาวต่างประเทศก็อยากจะบวชก่อนจะบวชมันก็ต้องศึกษาก่อนว่าการจะบวชการจะอยู่เป็นพระเขาอยู่กันยังไงบางทีเราเห็นพระส่วนเดียวเห็นแค่ตอนที่ออกมานั่งฉันตอนบินตบาทเราก็คิดว่ามันง่าย แต่มันไม่ได้เห็นเวลาอื่นเวลาที่ต้องตินแต่เช้ามืดลงไปโบสลงไปไหว้พระสวดมนต์แล้วไม่เห็นศีลสองรอยยิบเจ็ดข้อเพียงแต่เห็นเห็นเฉพาะตอนที่พระออกมารับสังฆทานมาสวดแล้วก็จะคิดว่าอยู่ เป็นพระนี่อยู่ง่ายมันต้องศึกษาก่อนพระมีศีลต้องสองรอยิบเจ็ดข้อ응กฎระเบียบต่างๆถ้าไม่มาศึกษาก่อน mm. ก็อาจจะบวชแล้วก็อาจจะลำบาก응บวชแล้วพอทำอะไรไม่ถูกก็ต้อง ถูกเขาบอกถูกเขาว่าทอถูกว่ากล่าวตักเตือนก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็จะไม่ไม่สบายใจเพราะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของการบวชนี่จะไม่รู้ว่าการบวชนี้เพื่อมาอบรมจิตใจ ปรับปรุงจิตใจให้จิตใจที่แข็งกระด้างให้เป็นจิตใจที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนจิตใจที่มักใหญ่ไฟสูงให้มาเป็นจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนมันไม่ใช่เป็นของง่าย ถ้าไม่เข้าใจก็จะมองเป็นการบีบบังคับอะไรกันเป็นการากดขี่กลมแห้งกันพระผู้ที่มาบวชใหม่นี่จะถือว่าเป็นเหมือนเป็นพลทหารนี่ก็ต้องมารับคำสั่งจากพระที่เขาบวชก่อนอพระที่บวชก่อนเป็นพี่รุ่นพี่ก็จะ ต้องคอยบอกคอยว่าคอยสอนแล้วพระนุ่นน้องก็ต้องให้ความเคารพกับพระนุ่นพี่ต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนทำอะไรไม่ถูกก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนเพราะถ้าปล่อยให้ทำไม่ถูกเดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมา ปัจสมัยนี้พระที่มีเรื่องก็เพราะว่าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้อยู่เป็นพระกันร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นพระโกนศีสะหอมผ้าเหลืองแต่ใจไม่ได้เป็นพระใจยังคิดแบบคารวะญาติโยมอ ย, อยู่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ พอมีโอกาสก็เลยเทำตามความอยากาโดยที่ไม่ได้ไไดคำนึงถึงว่ากำลังทำผิดกำลังไม่ได้ทำตามกฎระเบียบของพระถ้เาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว ก, ก็จะมีคนเขาเห็นเขารู้แล้วเขาก็ต้องม า, าจัดการ ที่เป็นข่าวกันอยู่เห็นไหมก็ เ, เพราะว่าไม่เป็นพระนะถ้าเป็นพระจะไปเอาเงินของคนอื่นมาได้ยังไง ร, รู้อยู่แล้วกฎของพระห้ามห้ามขโมยเงินมีกฎอยู่สี่ข้อที่พระทำไม่ได้ถ้าทําแล้วถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีหนึ่งฆ่ามนุษย์ข่าคนเนี่ย สองรักทรัพย์สามร่วมหลับนอนกับศีกาเสะเวณีเสษเมทุนเขรยกสี่อดความวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตนว่าได้ฌานขั้นนั้นได้ชามาทิขั้นนี้ได้เป็นโสดาบันได้เป็นอะไรโดยที่ไม่มีในตนถ้ามีก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คือแต่สมัยนี้มันพิสูจน์กันยากบอกว่ามีฌานแล้วใครจะมารู้ว่ามีหรือไม่มีเหตุนั้นคนที่มีก็เลยไม่กล้าพูดพูดไปเดียวโดนกล่าวหาว่าไม่มีก็ไม่รู้จะเอาอะไรมามาทดสอบมาแสดงให้เห็นเพราะมันเป็นเรื่องของความภายในใจ ฉนันสมัยนี้พระที่เป็นผู้มีคุณวิเศษยังมักจะไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าบอกคุณวิเศษที่มีอยู่ในตนเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการถูกเขากล่าวหาว่าโออวดอุตรออิพูดได้ก็เป็นเป็นการพูดตามหลักธรรมว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะได้ผลอย่างนี้ พูดได้แต่ถ้าบอกว่าผมได้แล้วผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้แล้วเอันนี้ก็ใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมคนไม่เป็นก็พูดได้คนเป็นก็พูดได้มันไม่ต่างกันตรงไหนเราจะไปรู้ตรงไหนว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องพูดวิธีการปฏิบัติเพราะคนที่ปฏิบัตินี้จะพูดได้ว่าวิธีปฏิบัติที่จะทําให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ทําอย่างไร แต่คนที่ไม่ปฏิบัตินี้พูดไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะไม่เคยปฏิบัติมาจะพูดได้อย่างไร mm hmm. เหมือนคนที่เคยไปสถานที่ใดที่หนึ่งมาแล้วก็สามารถมาบอกได้ว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรมีอะไรไปอย่างไร yeah. แต่คนที่ไม่เคยไปก็จะไปพูดก็จะมาพูดไม่ได้ yeah. อย่างคนไม่เคยไปอเมริกานะี่คนจะพูดได้ไหมว่าอเมริกาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนที่ไปอเมริกาแล้วเขาก็พูดได้เพราะว่าอเมริกามีอะไรมีอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติก็จะพูดไปได้วิธีนั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบทำอย่างไร แล้วเวลาสงบมันสงบอย่างไรออมีความรู้สึกอย่างไร เ, ออเวลานั่งไม่สงบมีปัญหาเพราะอะไร เ, ออเป็นอุ ป, ปรสรรคถ้าคนปฏิบัติจะรู้แล้วจะรู้วิธีแก้ปัญหาออปัญหาที่เกิดจากการนั่งสมาธิไม่สงบนี่ตัวสำคัญที่สุดก็คือสติ ถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สงบถ้าไม่มีสติคอยหยุดความคิดนะถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติเนี่ยพอเรากาลังคิดอยู่นี่เราก็ต้องบอกให้มันหยุดอย่าคิดนะถ้ามันยังคิดต่อเขแสดงว่าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสตินั่งไปมันก็คิดไปเรื่อย เมื่อมันคิดไปเรื่อยๆมันจะสงบได้ยังไงจิตจะสงบก็ต่อเมื่อมันหยุดคิดเหมือนรถนะถ้าวิ่งไปแล้วถ้าเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดมันก็แสดงว่าเบรกไม่ไม่ดีหรือเบรกไม่มีเมื่อเบรกไม่มีมันก็หยุดรถไม่ได้ก็ต้องเอาเข้าอู่เอาไปติดเบรกเใจก็เหมือนรถเนี่ยถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้นั่งแล้วจิตไม่สงบ ก็แสดงว่าเราไม่มีสติเมื่อเราไม่มีสติเราก็ต้องเข้าอู่เข้าไปติดสติวิธีเยติดสติก็ให้เราคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่องเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าให้อยู่กับพุทธโธได้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหยุดคิดได้แล้วพอนั่งหลับตาพุทธโธไปเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบเย็นสบายขึ้นมาปัญหาที่นั่งแล้วไม่สงบกันก็เพราะหนึ่งไม่มีสติสองบางทีก็ง่วงนอนนั่งแล้วก็ง่วงอันนี้ก็เป็นเพราะกินมากเกินไป เวลากินแล้วมันสบายร่างกายสบายมันก็อยากจะนอนเห็นเวลากินอาหารเสร็จแล้วมักจะนั่งไม่ได้นักปฏิบัติเวลาปฏิบัติตอนช่วงกินอาหารเสร็จใหม่ๆนี้จะใช้การเดินเดินจงกรมแทนถ้าเดินจงกรมมันก็ไม่อยากจะเดินอีกเพราะมันกินแล้วมันสบายมันอยากจะนอนก็ต้องกินน้อยๆ กินยาให้มันอิ่มมากกินพอไม่ให้มันหิวก็พอเช่นพอกินไปสักสองสามคำรู้เสร็กว่าเออไม่หิวแล้วก็หยุดนี่แต่ไม่อิ่มออย่าให้มันอิ่มกินเพื่อดับความหิวแล้วก็ดื่มน้ํำเข้าไปเยอะๆหน่อยก็ได้อน้ํานี้มันเดี๋ยวเดียวมันก็มันก็ระบายออกพม น, น ะ, ะมันก็จะทําให้ไม่มีอาการง่วงนอนขึ้นมา นั่งสมาธิก็ได้จะเดินก็ไม่ขี้เกียจนักปฏิบัติต้องยอมอดออดทางร่างกายเพราะถ้าร่างกายสบายแล้วมันจะเป็นอุปสรรคอถ้าร่างกายอิ่มเกินไปอนอนมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคมันจะทําให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติมาทําใจให้สงบ พระพุทธเจ้าจึงสอนพระให้ฉันมือเดียวฉันมือเดียววันกินวันละครั้งก็พอร่างกายก็เหมือนรถยนต์นะเติมทีเดียวมันเต็มถังไปเลยไม่ต้องเติมทีละครึ่งถังหรอกเติมครึ่งถังเดี๋ยวก็ต้องเติมอีกถ้าตเติมทีเต็มถังก็จะไดอะ้อยู่ได้นานไม่ต้องคอยตเติมบ่อยๆกินอาหารมือเดียวก็จบ24ชั่วโมงค่อยกินอีกครั้งหนึ่ง วันนี้มาเช้านี้ฉันตอนแปดโมงก่อนจะฉันอีกครั้งก็พรุ่งนี้แปดโมงถึงจะได้ฉันก็เห็นเดือดร้อนตรงไหนร่างกายมันก็อยู่ได้แล้วมันก็ไม่ง่วงไม่เกียดคลานพอให้มันเดินมันก็เดินได้อย่างสบายตัวเบาถ้ากินอิบแล้วมันไม่อยากจะเดินอยากจะนอนหาหมอน เดินหาหมอนท่านจะเดินก็เดินหาหมอนพอเจอหมอนก็ล้มลงนอน yeah. Yeah. เนี่ยผู้ปฏิบัตินี้จะมีอุปสรรคหลายอย่างด้วยกัน yeah. ต้องรู้จักวิธีแก้เวลาบางทีเกิดอารมณ์เสียไปใครก็ไปพูดอะไรหรือทาอะไรไม่พอใจทำเวลาไม่พอใ จ, อใจก็โกรธเขาพอโกรธแล้วจะมานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ yeah. พราะมันใจมันจะคิดแต่เรื่องที่ทำให้เราโกรธใจก็จะร้อนวิธีที่จะต้แก้ก็คือต้องแผ่เมตตาต้องให้อภัยต้องยกยกโทษให้เขาใครเขาพูดอะไรทําไม่ดีก็ยกโทษให้เขาไปให้อภัยถ้าให้อภัยแล้วใจก็จะหายโกรธใจก็จะกลับมาเป็นปกติ มานั่งสมาธิได้ถ้ายังสงสัยในเรื่องการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินี้จะได้ผลหรือไม่เราก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเถาจ้าดูตัวอย่างของคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาได้ผลอ่านประวัติของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านจะเล่าให้ฟังว่านั่งสมาธิแล้วเกิดผลอย่างไรมันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจไม่ลังเลสงสัยถ้าสงสัยไม่มั่นใจก็ต้องไปศึกษาจากผู้ที่เขามีประสบะการณ์แล้วถ้ามีได้ฟังจากคนที่มีประสบะการณ์เขาก็จะรับรองว่าพุทโธไปเถิดเดี๋ยวสงบเองะ เขารับรองรับประกันพระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติไปเถอะสติปัฏฐานนี่เจ็ดวันก็ได้ผลเม่อเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องได้ผลอย่างแน่นอนอันนี้มันก็จะทำให้เราหายกังวลหายหายรังเลสงสัยไม่มั่นใจได้จะทำให้เรามั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ได้ผลอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วนั่นเองถ้าปฏิบัติไม่ถูกถูกบ้างผิดบ้างก็ช้าหน่อยหรือปฏิบัติไม่ไม่ขยันมากขยันน้อยก็ไปช้าหน่อยแต่ถ้าพยาย า, พยายามปฏิบัติ ต, ตามตําราที่สอนไว้ตามคําสอนของพระปฏิบัติทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ต้องได้เอง ช้าเร็วไม่สำคัญขอให้มันได้ก็แล้วกันพอได้แล้วมันก็เท่ากันคนที่ได้เจ็ดวันกับคนที่ได้เจ็ดเดือนมันผลมันก็เท่ากันเวลาจิตสงบมันก็สงบเหมือนกันแต่ว่าจะไปถึงจุดนั้นช้าเร็วเหมือนเดินขึ้นเขาหรือขับรถจากที่นี่ไปกรุงเทพนี่บางคันก็ไปเร็วหน่อยบางคันก็ไปช้าหน่อยบางคันรถกาลังน้อยหน่อยแจงไม่ขึ้น กอาจจะต้องไปช้าก่อรถที่เขาเร็วกว่ารถที่ก็เร็วกว่าเขาแซงรถปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเดี๋ยวเขาก็ถึงเขาถึงก็มานั่งรอเราอยู่นั่นเดี๋ยวเราไปถึงแล้วก็มันก็ถึงที่เดียวกันเหมือนกันยันอย่าไปกังวลกับเรื่องช้าหรือเร็วขอให้เราขับไปเรื่อยๆเถิดปฏิบัติไปเรื่อยๆเถอดช้าบ้างเร็วบ้างก็แล้วแต่กําลังของผู้ปฏิบัติเนี่ย อย่างที่กายเล่าให้ฟังว่าผู้ปฏิบัตินี้มีสี่แบบด้วยกันออคือพวกที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรุเร็วเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่มีออกิเลสบางปัญญาแหลมคมออกิเลสนี้จะทำเป็นตัวทำให้ปฏิบัติง่ายหรือยากออถ้ามีกิเลสมันจะต่อต้านการปฏิบัติเราทำให้มันรู้สึกยาก ส่วนที่จะบรรลุเร็วรู้เร็ ว, รวนี้ต้องอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ปัญญาที่ยากก็คือยากตอนที่ปฏิบัติสมาธินั่งสมาธินี่กว่าจะสงบได้บางคนก็ง่ายบางคนก็ยากคนที่มีกิเลสน้อยก็สงบง่ายคนที่มีกิเลสมากนี่ก็สงบยากส่วนปัญญา คนที่ฉลาดมากกับคนที่ฉลาดน้อยก็จะเข้าใจธรรมะได้ไม่ไม่เท่ากันคนที่ฉลาดมากอ่านปุ๊บ ก, ก็เข้าใจคนที่ไม่ฉลาดต้องอ่านหลายๆายรอบกว่าจะเข้าใจนี่เรียกว่ารู้ชา้ารู้เร็วจะรู้ชา้ารู้เร็วนี้อยู่ที่ปัญญาว่าแหลมคมหรือไม่แหลมถ้าแหลมคมก็จะรู้เร็วพอพระพุทธเจ้าพูดคำเดียวก็เข้าใจ แต่ถ้าปัญญาไม่แหลมคมก็ต้องถามตอบว่าหมายความว่าอย่างไรช่วยอธิบายให้หน่อยยกตัวอย่างให้หน่อยอะไรอย่างนั้นถึงจะเข้าใจพวกที่ปัญญาแหลมคมพวกที่กิเลสบางนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายแล้วรู้เร็วนี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองเป็นพวกที่กิเลสบางแต่ปัญญาทึบกิเลส นั่งสมาธิไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนั่งสงบได้ง่ายนั่งสบายแต่มาถึงขั้นปัญญาพิจารณาไตายรักษไม่เป็นพิจารณาธาตุสีไม่เป็นพิจารณาสุภาษไม่เป็นไม่รู้ว่าพิจารณาอย่างไรดูอย่างไรอ น, นิจจังเป็นอย่างไรไม่เข้าใจอนัตตาเป็นอย่างไรไม่เข้าใจทุกเกิดจากความอยากนี้ก็ไม่เข้าใจต้องใช้เวลานั่งคิดวิเคราะห์ ดูไปเรื่อยๆแต่พวกที่ปัญญาแหลมนี่พอพูดอนิจจังก็เข้าใจแล้วพูดอนัตตาก็เข้าใจแล้วพวกนี้เป็นพวกพวกที่สองนี่เป็นพวกที่ปัญญาทึบดากิเลสบางปฏิบัติง่ายนั่งสมาธิสงบง่ายแต่พอถึงขั้นปัญญานี้ปัญญาทึบบรรลุช้ากว่าจะบรรุจะกว่าจะเข้าใจทำกว่าจะเห็นธรรมนี่ช้า เหมือนเด็กที่เรียนในโรงเรียนพวกที่อยู่ เ, เกตต่ำกว่าสองนี่พวกปัญญาทึบนะพวกที่ปัญญาแหลมนี่พวกเกตสีอ่อันนี้ก็กลุ่มที่สองพวกที่มีปัญญามีกิเลสบางปัญญาทึบคือปฏิบัติง่ายแต่บรรลุชา้าพวกที่สามก็เป็นพวกที่กิเลสหนาะ แต่ปัญญาแหลมคมพวกพวกนี้เป็นพวกกลพวกพวกฉลาดแกมโกงเนี่ยพวกนี้ฉลาดแต่ฉลาดไปทางกิเลสฉลาดแบบสีธนนชัยพวกนี้ก็เรียกว่ากิเลสนะแต่ปัญญาแหลมคมพวกนี้เวลานั่งสมาธิจะยากจะสงบยากเพราะกิเลสมันคอยต้านกิเลสมันจะหลอกให้ไปคิดถึงขนมคิดถึงละครคิดถึง สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่งสมาธินี้กว่าจะสงบได้นี้ต้องเหนื่อยแต่พอผ่านขั้นสมาธิแล้วพอมาเข้าสู่ขั้นปัญญาพอได้ยินได้ฟังอนิจจังก็เข้าใจอนัตตาก็เข้าใจทุกขังก็เข้าใจตรงนี้ก็จะบรรลุเร็วลู้เร็ ว, รรวพอได้ขั้นสมาธิแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บรรลุได้เลยมีพวกที่สาม เป็นพวกปฏิบัติยากแต่บรรลุเร็วรู้เร็วถ้าลองได้ขั้นสมาธิล้วก็จะบรรลุได้เร็วพวกขั้นที่พวกที่สี่นี่เป็นพวกกิเลตหนาปัญญาทึบเนี่ยพวกนี้ปฏิบัติก็ยากบรรลุ ก, ก็ช้าพวกเจ็ดปีไม่ใช่พวกเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนนี่ก็คือเรื่องของจิตของแต่ละคนมัน ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่สมัยโรงเรียนเด็กถึงมีเรียนไม่เหมือนกันท่าได้เกรดไม่เหมือนกันทําไมต้องแบ่งเป็นห้องเอห้องบีห้องคิงห้องควีนเพราะความฉลาดของนักเรียนมีไม่เท่ากันพวกฉลาดมากๆพวกหัวกะทิเขาก็จับไว้อยู่ห้องหนึ่งเลยจะได้แข่งกันได้เอาพวกฉลาดไปแข่งให้พวกโง่เหมือนก็เหมือนก็เหมือนก็สบาย ต้องให้มันแข่งกับพวกที่ฉลาดด้วยกันเนอ่จิตใจของพวกเรานี้สะสมความรู้ความฉลาดมาไม่เท่ากันบางคนใยรู้ใยศึกษาก็จะมีปัญญาพวกที่ไม่สนใจไม่ายรู้ไม่ใยศึกษาชอบเล่นชอบเที่ยวพวกนี้จะปัญญาทึบแต่พวกที่ชอบอ่านหนังสือชอบไปห้องสมุด ชอบศึกษาชอบค้นคว้าหาความรู้พวกนี้เป็นพวกที่ฉลาดพวกที่คิดเป็นทำอะไรใช้ความคิดเข้าใจอะไรได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอันนี้เป็นนิสัยที่ปลูกฝังกันมาในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าชอบเที่ยวก็จะชอบเที่ยวไปเรื่อยชอบเรียนก็จะชอบเรียน มันจะติดเป็นนิสัยมาเด็กบางคนจึงเรียนเก่งบางเด็กบางคนเรียนไม่เก่งทั้งทั้งที่อยู่มาจากพ่อแม่คนเดียวกันพ่อแม่นี้ให้แต่ร่างกายนจิตใจนี้ไม่ได้เป็นของพ่อแม่ไม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นโร ง, งงานผลิตร่างกายะแล้วจิตใจที่ไม่มีร่างกายที่เป็นดวงวิญญาณก็มารับร่างกายจากพ่อแม่ไป พอพ่อแม่ผลิตขึ้นมาจิตใ จ, จที่กําลังหาร่างกายก็มาเกาะติดร่างกายอันใหม่ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยแล้วพอออกมาก็ใช้ร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆความสามารถของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางคนก็เก่งทางวิชาความรู้บางคนก็เก่งทางด้านศิลปะบางคนน่วาดเขียนวาดภาพสวยงามแต่ ให้เรียนคณิตศาสตร์เรียนไม่รู้เรื่องถ้าให้เป็นศิลปินให้เป็นนักวาดนี้จะวาดภาพได้สวยงามบางคนก็เป็นนักแสดงให้แสดงนี้แสดงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวบางคนก็เก่งทางด้านกีฬาเนเ้นกีฬาแข่งกีฬาได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่อันนี้มันเป็นความสามารถที่ได้ ได้สะสมมาในแต่ละพพแต่ละชาติเพราะว่าเราจะชอบอะไรเราก็จะมักทำสิทาอย่างนั้นก่อนมาถ้าชอบเล่นกีฬาก็จะเล่นกีฬาชอบศิลปินศิละปะก็จะไปไปทางศิละปะชอบคณิตศาสตร์ชอบทางวิทยาศาสตร์มันก็จะไปทางนั้นแต่เราคนมีความชอบปลุกฝังมาไม่เหมือนกันจึงไปกันคนละทิศคนละทางกัน อันนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่อาจจะเป็นหมอเป็นวิศวะแต่ลูกอาจจะมาชอบเป็นศิลปินก็ได้มาเป็นดาราเป็นภาพนั่นนภา พ, พยนตร์ก็ได้หรือไปเป็นนักกีฬาก็ได้ไปแข่งเล่นกอล์ฟไปตีเทนนิสอันนี้มันอยู่ที่ความถนัดความชอบของแต่ละคนที่ได้สะสมมาจนปลุกฝังเป็นนิสัยสันดานขึ้นมา อันนี้ก็หรือทางธรรมะก็เหมือนกันบางคนก็ชอบนั่งสมาธิบางคนก็ชอบรักษาศีลบางคนก็ชอบทําบุญพวกที่ชอบทําบุญก็จะชอบจะทําบุญพวกที่รักษาศีลก็จะรักษาศีลพวกที่ชอบปลีกวิเวกไปหาที่สงบก็จะไปหาที่สงบปีกวิเวกนั่งสมาธิ พวกที่ชอบปัญญาก็จะชอบฟังเทศฟังธรรมพระไตรปิฎกนีน้บางที่อ่านจบทั้งพระไตรปิฎกเลยชอบค้นคว้าชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องของนิสัยที่ได้ปลูกฝังมาแต่ถ้าเราไม่มีนิสัยทางนี้เราก็ปลูกฝังใหม่ได้ ถ้าเราไม่ชอบธรรมะไม่ชอบฟังธรรมก็เราบังคับตัวเราให้มาฟังธรรมกันดูบังคับให้อ่านหนังสือธรรมะดูอ่านไปแล้วพอเกิดความรู้ขึ้นมาก็อาจจะติดอกติดใจอาจจะอ า, อาจจะชอบอาจจะทำให้อยากจะศึกษามากขึ้นอยากจะรู้มากขึ้นก็นได้ เะ็นเราต้องถ้าเราไม่มีสิ่งที่ดีในตัวเราเราสร้างใหม่ขึ้นได้พวกที่เขามีสิ่งที่ดีติดตัวมาเขาก็สบาย เ, าเหมือนเหมือนได้ได้เรียนหนังสือมาแล้วสมมติเราอยู่เมืองเมืองนี้เราจบป .6 พอเราย้ายไปอีกเมืองหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปเรียนป .1 ใ ห, หมเ่เราก็ไปเรียนป .6 หรือไปต่อม .1 เลยเพะเราเรียนจบป .6 มาแล้ว แต่ถ้าเรายังไม่ได้จบเราก็ต้องไปเริ่มปอหนึ่งใหม่ mm. ก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ก็ได้ขอให้เราทำก็แล้วกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำถ้าเราไม่มีเราก็ต้องทำให้มันมีขึ้นมาพอเราทำแล้วเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมาเองแต่ถ้าเราอยากได้แล้วเราขี้เกียจอยากไปจนวันตายก็ไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ ถ้าเราอยากได้เราต้องมีความขยนันขยันในธรรมในสิ่งที่เราไม่มีให้เกิดขึ้นมาให้ได้เช่นถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องขยันทาให้มันมีสติขึ้นมาให้ได้บังคับให้มันพุโทโธไปทั้งวันเนี่ยมันจะยากตรงไหนคาว่าพุโทโธเนี่ยที่มันยากเพราะมันลืมเข้าใจไมพอถึงเวลาลืมไปเลยคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้ลืมพุโทโธไปเลย ทั้งทงที่มาฟังเทศอยู่เรื่อยๆก็บอกให้พุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเคยพุโทโธแล้วอย่างลืมตาขึ้นมานี้พุโทโธกันหร้วอย่างลืมใชพอลืมตาขึ้นมาล้วันนี้วันอะไรจะไปไหนจะไปทำอะไรไปนู่นละมันไปตามนิสัย ข, ของมันะ่ะมันถึงพอจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วก็คิดนั่งแล้วก็อึดอัดคันตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมา เพราะมันไม่อยากนั่งมันอยากจะคิดอยากจะไปทำอะไรตามนิสัยเดิมของมันเพรนั้นถ้าเราอยากจะได้สมาธิได้ความสงบนี้เราต้องขยันตั้งสติอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่มีสติกันมันจึงนั่งสมาธิกันไม่ได้นั่งแล้วไม่สงบเราต้องบังคับให้มันเกิดสติขึ้นมาด้วยการให้ให้มันท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจยอยู่เรื่อยๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไป เงิมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยถ้ายังไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็อย่าไปให้มันคิดให้มันพุโทโธไป เ, เวลาไปเตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปจะใช้ความคิดก็ต่อเมื่อเราไปถึงที่ทำงานแล้ววันนี้ต้องทำงานมีงานอะไรก็ต้องคิดละคิดเกี่ยวกับเรื่องงานไปอพอทำงานเสร็จก็ พอมันจะไปคิดเรื่องอื่นก็หยุดมันเสียให้มันพุโทโธพุโทโธต่อพอทำอย่างน่้นั้นเดี๋ยวมันจะคิดไปเที่ยวละเลิก ง, งานจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปดื่มที่ไหนดีไปกินที่ไหนดีมันจะไปทางนั้นแต่ถ้าเราคอยควบคุมให้มันพุโทโธพุโทโธพอเลิก ง, งานเราก็กลับบ้านดีกว่าไปพุโทโธไปนั่งสมาธิที่บ้านดีกว่าหรือถ้า ใกล้ที่ทํางานที่ไหนมีที่ให้นั่งสมาธิได้ก็ไปนั่งที่นั่นกันละวัดบางวัดเขาเปิดมีที่ให้ไปนั่งสมาธิเราก็ไปนั่งสมาธิกันเอพุทโธพุทโธเอถ้าเราพุทโธได้เราจะหยุดความคิดที่จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้พอเราไม่ไปคิดที่จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเราก็คิดแต่พุทโธเราก็อยากจะไปหาที่นั่งสงบละที่ไหนที่ใกล้ที่นั่ง มีที่นั่งให้สงบก็ไปนั่งหรือถ้าไม่มีที่อยู่ที่ทำงานก็ได้เืิองานแล้วก็นั่งที่ทำงานต่อดีเสกไม่มีคนอยู่นั่งนั่งอยู่ที่ทำงานเงียบสงบพุทโธพุโทพโธไปยิ่งสมัยนี้รถติดด้วยตอนเย็นๆเราให้มันหายติดก่อนแล้วค่อยกลับบ้านก็ไอ้ดีกว่าไปติดอยู่ในรถติดอยู่บนท้องถนนถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธแล้วเราจะ ทำให้ใจเราคิดถึงการทากิจกรรมอ่างต่างๆน้อยลงไป es. ทำให้เราอยู่เฉยๆได้ es. ทำให้เราไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรดีเดี๋ยวจะไปคบกับเพื่อนที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปด<เ>ูอะไรดีเดี๋ยวจะไปกินไปเด่นอะไรดีถ้าไม่ถ้าไม่มีพุทโธมันจะคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้เขาคิดแล้วเดี๋ยมันก็ต้องไปทากิจกรรมเหล่านี้พขาคิดแล้วมันก็อยากขึ้นมา mm. พออยากแล้วไม่ได้ทำมันก็จะหงุดหยิดนะมันก็จะลำคาญไม่สบายใจแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้มันก็จะเฉยๆอยู่ที่ทำงานต่อก็ได้พุโทโธที่ทำงานก็ได้นั่งสมาธิที่ทำงานต่อก็ได้ถ้าเขาอนุญาตให้เราอยู่อยู่ต่อได้ล้วก็ขอนั่งอยู่ที่สานัก ง, งานนย น, นั่งสมาธิในสนงงานักงานนะนี่คือ สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติเราต้องสามารถควบคุมบังคับความคิดของเราหยุดความคิดของเราอยา่าปล่อยให้มันคิดไปตามความอยากต่างๆอาะถ้าคิดแล้วมันจะหงุดหยิดถ้าไม่ได้ทำตามความอยากนี่ก็คือเรื่องที่เราต้องศึกษาให้รู้ว่าเราต้องทำอะไร ถ้าเราอยากได้ความสงบอะไรที่ทำให้เราสงบเราก็ต้องหามาถ้าเราไม่มีเราไม่มีสติเราก็ต้องหามาเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาถ้าสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขจากความสงบของใจจะทำให้เรา ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเมื่อก่อนเราต้องไปเที่ยวกันถึงจะมีความสุขกันต้องไปกินไปดื่มไปจัดงานเลี้ยงกันถึงจะมีความสุขเนี่ยพอเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็เลือกเที่ยวได้เลือกไปงานเลี้ยงไปอะไรได้เราถ้าเราอยากจะเลือกอย่างถาวรเวลาเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญามา พิจารณาเปรียบเทียบดูว่าความสงบกับการไปเที่ยวกับ ก, บการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอันไหนจะดีกว่ากันอันไหนจะสบายกว่ากันอความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครอความสุขที่ได้จากสิ่งอื่นนี้ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆถึงจะได้มาถ้าอยากจะไปนนมีความสุขกับนอนกับแฟนก็ต้องไปหาแฟนเออ ได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทะเลาะกับแฟนก็ไม่ได้นอนร่วมกันอีกหรือว่าเดี๋ยวแฟนมีธุระต้องไปที่นู่นที่นี่มันก็จะไม่ได้ความสุขอย่างต่อเนื่อง เ, ออเขาเรียวกว่าไม่เที่ยงความสุขแบบไม่เที่ยงไม่สถเียนไม่ต่อเนื่องไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากสมาธิต้องการเมื่อไหร่ก็นั่งทันทีหลับตาพุโทโธเดี๋ยวเดียวก็ได้แล้ว ไม่ต้องไปยุ่งกับใครพอเราได้ได้สมาธิแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญาตัดการหาความสุขแบบอื่นได้อยากไปเที่ยวก็ตัดได้อยากจะไปกินเลี้ยงก็ตัดได้อยากจะไปนอนกับแฟนก็ตัดได้ต่อไปก็ไม่ต้องมีอะไรสบายไม่ต้องมีเงินไม่ต้องทำงานที่ทำงานเพราะต้องมีเงินมีเงินเพื่อที่จะไปซื้อความสุขต่าง ถ้แม้เราใช้เงินเป็นตัวซื้อความสุขอยากได้อะไรก็ต้องใช้เงินซื้ออยากดูอะไรก็ต้องใช้เงินดูอยากกินอยากดื่มอะไรก็ต้องใช้เงินถึงจะมีความสุขได้แต่ก็เป็นความสุขเดียวๆหมดแล้วก็ต้องหาใหม่ก็ต้องใช้เงินไปเรื่อยๆเราต้องใช้เงินเดี๋ยวมันก็หมดหมดก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆ ชีวิตมันก็จะติดอยู่กับ ก, บการหาเงินใช้เงินแล้วก็เครียด ก, กับการหาเงินเกีเ่ยวกับเวลาที่เงินไม่พอใช้แล้ว เ, เดี๋ยวก็อาจจะต้องไปเป็นหนี้สินขึ้นมาอีกอนี่คือปัญหาถ้าเราทําตามความอยากต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเห็นเห็นโทษของการไปทําตามความอยากว่าเป็นความสุขที่เราได้นิดๆหน่อยๆเดียเด๋ยววแต่ปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆ มันมีเยอะแยะไปหมดความเครียดต่างๆนี้ก็เกิดจากการไปทําตามความอยากเนี่ยพอทํานั้นไม่ได้ดังใจอยากก็เครียดขึ้นมาเห็นสู้มาทําสมาธิดีกว่าถ้าเราทําสมาธิดได้แล้วเราก็เลิกเลิกความอยากต่างๆได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเป็นใหญ่ก็ไม่เป็นเป็นใหญ่แล้วปวดหัวมีเรื่องมีราต้องคอยรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดเป็นลูกน้องสบายไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบรอรับฟังคาสั่งอย่างเดียวสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปก็จบแต่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เ ป, เป็นผู้จัดการนี่โอจะต้องคอยดูแลคนงานทั้งบริษัทต้องดูแลรายรับรายจ่ายวุ่นวายไปหมดถึงแม้ว่าจะมีเกียรติมีหน้ามีตามีไรายได้ที่ดีกว่าแต่เรื่องของความเครียดก็มากกว่ากว่าเป็นสู้เป็นลูกน้องดีกว่า รอรับคำสั่งเขาสั่งให้ทำนี้เราก็ทาไปก็จบถ้าคนมีสมาธิมีความสุขในใจแล้วจะไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตะจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรมีก็ต้องคอยดูแลรักษาสิ่งที่เรามีแล้วก็ต้องทุกขกับมันเวลาที่มันเป็นอะไรขึ้นมามีรถก็ต้องทุกขกับรถใช่ไหมถ้าไม่มีรถใช้อูเบอร์สบายกว่า อยากจะได้เมื่อไหร่ก็บอกมันมารับเราเลยมีรถก็ต้องหาที่จอดรถหาที่เก็บรถต้องล้างรถต้องคอยเติมน้ํามันต้องคอยรถเอารถเข้าอู่เช็คตรวจสภาพเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเวลามันเสียก็ต้องเอาเข้ารถอูอต่อไปไม่มีใครใช้รถซื้อรถกันแล้วใช่ไหมใช้อูเบอร์ดีกว่าสบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ใช้เวลากี่นาทีปุ๊บเดียวก็มาใช่ไหมเพราะมันมีอยู่ทั่วไปหมดนี่ยนะเขารู้จุดที่เราอยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วจุดของคนที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเขาก็มาทันทีบางทีห้านา ท, ท, นทีสิบนาทีก็มาแลไม่ต้องหาที่จอดรถให้เหนื่อยให้ยุ่งยากจะไปกินหารนาทีกว่าจะได้กินบางทีหาที่จอดรถเหนื่อยอันนี้พอถึงที่ก็ลงได้เลยจ่ายเงินปุ๊บก็ไปเลย เราอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็เรียกมาได้เราล้วถ้าถ้าอยากจะดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มได้ถ้าขับรถเองก็ดื่มเดี๋ยวก็ชนกันอีกมีหน้ามันถึงมันถึงจเจริญก้าวหน้านะรถเช่ารถบริการพวกนี้เพราะมันสะดวกนะมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับบางคนบางการณี คนขับเป็นคนมิจฉาชีพก็สวยไปแต่เขาก็มีมาตรการคอยอคอยตรวจสอบคอยอคอยกำจัดใช่คอยเลือกให้ตรวจประวัติต้องมีอะไร อันนี้ก็เมื่อเปรียบเทียบกับการความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิแล้วมาบอกไม่มีอะไรดีเท่ากับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่ต้องมีอะไรขอให้มีที่สงบเท่านั้นเองมีที่ไม่มีใครมารบกวนแล้วเราก็นั่งเฉยๆหลับตาพุทโธพุทโธไปก็ถึงแล้ดีกว่าไปเหนื่อยกับการเตรียมตัวจะไปงานเลี้ยงนี่ ต้องอาบน้ำอาบท่าเตรียมชุดเตรียมอะไรต้องมีรถพาไปต้องหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเข้าไปก็บางทีก็ไปเบียดกันในงานอีกบางทีก็ตะไปย่างกินกันนะย่างอาหารกันในงานอีกก็มีแต่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็ <c oughs> เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวพอได้กินอิ่มแล้วก็จบละอยากกลับบ้านละ ก็ทำให้ไม่กินข้าวที่บ้านใชหมหมดเรื่องง่ายกว่ามันก็อิ่มเหมือนกันแต่ความอยากมันไม่เหมือนกันกินที่บ้านกับกินที่ข้างนอกมันไม่เหมือนกันกินที่โรงแรมนี่มีอาหารให้เลือกหลายอย่างกินที่บ้านก็มีแต่ไข่เจียวไข่ต้มมันก็เลยเนี่ยเป็นความอยากถ้าเราไม่มีความอยากก็กินอะไรก็ได้กินให้มันหายหิวเท่านั้นเองอ ข้าวเปล่าคุกน้ำปลาก็อร่อยถ้าไม่ได้กินข้าวมาสักวันหนึ่งนี่ข้าวเปล่าคุกน้ำปลาก็อร่อยถ้ากินข้าววันละมือ้อในอร่อยทั้งนั้นอ่ะเชื่อไหมไม่เชื่อลองกินดูเลยกินวันละครั้งเดียวแล้วอีกยีิบสี่ชั่วโมงค่อยกลับมากินใหม่ตอนนั้นมันเห็นอะไรอร่อยไม่หมดนะไข่ต้มก็อร่อยข้าวเปล่าก็อร่อย การปฏิบัติสมาธินั่งสมาธินี้จะมีคุณประโยชน์มากจะทําทให้เราตัดความวุ่นวายต่างๆไปหมดตัดปัญหาต่างๆไปหมดนะแม้แต่ปัญหาทางร่างกายก็ตัดได้แก่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะก็ยังทําสมาธิได้ยังทําใจให้สงบได้ ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วเราถ้าเรานั่งสมาธิเปแล้วเราก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆได้พอเกิดความอยากอะไรมาก็ชั่งน้ำหนักดูระหว่างความสุขที่ได้จากความสงบกับความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากอันไหนจะดีกว่ากันอยากดื่มกาแฟดื่มกาแฟก็ต้องไปหากาแฟมาดื่มแล้วถ้าไม่มีกาแฟดื่มก็เครียดขึ้นมาอีกอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มก็ทุกข์เ แต่นั่งสมาธิได้ต้องการจะนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งได้สมาธิไม่มีวันหมดไม่เหมือนกาแฟกาแฟมันต้องมีวันหมดนะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดขวดถ้าชงที่บ้านเดี๋ยวก็หมดขวดก็ต้องไปซื้อขวดใหม่มาถ้าไปที่ร้านเดี๋ยวบางทีร้านมันปิดก็กินไม่ได้สู้นั่งสมาธิไม่ได้เอาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบไม่ได้ งั้นขอให้เรามาฝึกนั่งสมาธิกันให้เป็นเถอะทำใจให้สงบให้ได้แล้วเราจะไม่มีเราจะไม่มีปัญหากับอะไรต่อไปเราจะอยู่อย่างสบายมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจสงบแล้วความสุขของใจนี่จะมีน้าหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกาย ร่างกายจะทุกข์อย่างไรจะโอดอยากขาดแคลนอย่างไรจะเจ็บจะปวดตรงไหนนี่ความสุขในใจนี้มันกลบหมดมันรู้ว่าเจ็บแต่มันไม่สะเทือนมันไม่สะเทือนต่อความเจ็บถ้ามีความสุขในใจถ้ามีความสงบในใจใจจะมีความสุขทำกลางความทุกข์ของร่างกายทำกลางความลำบากลำบนของของทางร่างกายหรือจะมีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเข้ามา ใจก็ไม่เดือดร้อนใจก็จะรับรู้เฉยๆหรือว่ามันวุ่นวายคนนั้นบ่นว่าอย่างนั้นคนนั้นด่าอย่างด่าอย่างนี้ก็ปล่อยเขาว่าไปปล่อยก็ททำไปเราไม่เกี่ยวเราก็เพียงแต่รับรู้หลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็รู้ไปเฉยๆถ้าจะถูกลูกหลงก็ถือว่ามันก็เป็นกรรมของเราถ้าเขาอยากจะทุบอยากจะตีเราก็ปล่อยเขาทุบตีไป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 ไม่มีแล้วสบายอยู่แบบไม่มีอะไรดีที่สุดถ้าใจมีความสุขมีความสงบแล้วมันไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับมันมันจึงอยู่แบบไม่มีอะไรได้แต่ถ้ายังมีความอยากมันต้องมีแล้วต้องมีนั่นมีนี่แล้วถ้าอยากได้สิ่งนั้นก็ต้องมีแล้วถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้สิ่งนั้นก็จะไม่มีความสุขแล้วนี่แหละคือ สิ่งที่จะแก้ปัญหาของเราได้หมดเลยก็คือการทําใจให้สงบและสิ่งที่จะทําใจให้สงบได้ก็มีก็คือสติเพียงอย่างเดียวเนั้นเองพยายามฝึกสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้หรือให้อยู่กับร่างกายก็ได้ ร่างกายเรากำลังทำอะไรก็ให้มันเฝ้าด in ูอย hmm. ู่ไปกับร่างกายเป็นฝาแฝดไปกับร่างกายร่างกายเดินก็เดินกับมันใจก็เดินกับมันไม่ใช่ร่างกายเดินใจไปถึงศูนย์การค้าแล้วใจไปถึงที่ทำงานแล้วอันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันให้มันอยู่ด้วยกันร่างกายเดินก็เดินร่างกายกำลังก้าวเท้าซ้ายก็ใจก็เท้าซ้ายไปกับมันขวาก็ขวาไปกับมันซ้ายขวาซ้ายขวาไป อย่างนี้แล้วมันจะไม่คิดมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ว่ามันถูกบังคับให้อยู่กับร่างกายร่างกายยกแขนขึ้นใจก็ยกแขนไปกับร่างกายร่างกายหันหน้าไปทางซ้ายใจก็หันไปทางซ้ายทำอะไรควบคู่ไปกับร่างกายในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้ใจไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอไม่คิด เวลามานั่งให้มันดูลมมันก็จะดูลมอย่างเดียวพอดูลมแล้วมันไม่คิดอะไรมันก็จะค่อยๆสงบเขาเบาลงเบาลงเย็นลงสบายขึ้นสบายขึ้ น, นแล้วก็นิ่งไปแล้วก็สบายมีความสุขขึ้นมาพอจิตนิ่งสงบหยุดคิดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้านั่งรถไฟก็ถึงสถานีหัวลาโพงแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว ก็ให so ้มันอยู่ในนั้นอยู่อยู่ในความสงบไปให้นานเพราะมันมีความสุขมากมันจะไม่อยากออกถ้าเจอความสงบจริงๆแล้วไม่ต้องถามมันจะรู้เองว่ามันไม่อยากจะไปไหนแล้วอยากจะอยู่กับความสงบนี้จนกว่าจะหมดกำลังสติหมดกำลังถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องควบคุมให้มันดูลมต่อไปหรือให้มันพุทโธต่อไปใหม่ถ้ามันร่างกายเจ็บอยากจะลุกขึ้นมาก็ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเอิรียบทแต่ก็ยังควบคุมความคิดต่อไปอยู่กับร่างกายต่อไปเดินก็เดินกับร่างกายไปเดินจนกระทั่งเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่ถ้าปฏิบัติเต็มที่นะเราจะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะไม่ไปทำอะไรนอกจากกิจที่จําเป็นถ้าถึงเวลาจะต้องไปทำงานทำ กวาดบ้านถูบ้านเรื่อกวาดลานวัดกวาดถูศาลาก็ไปทำํทำทําก็ทําด้วยสติอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอยู่อยู่กับร่างกายอืด้วย อ, อยู่กับพุโทโธเอย่างนี้แล้วใจมันจะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้ แล้วพอมานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วนั่งห้านาทีสิบนาทีก็สงบล้วพอสงบแล้วก็นั่งไปได้เป็นชั่วโมงเป็นหลายหลายสิบหลายสิบนาทีอาจจะถึงชั่วโมงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็ได้มีความสุขอยู่กับความสงบอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรต่อไปก็เนี่ยว่างก็นั่งสมาธิไปแทนที่จะไป ดูอะไรไปฟังอะไรไปกินอะไรไปดื่มอะไรก็นั่งสมาธิดีกว่าจนกว่าความอยากต่างๆหายไปหมดถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ใจจะสงบโดยธรรมชาติเหตุที่ใจไม่สงบเพราะมันมีความอยากมาคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆจึงต้องเข้าสมาธิเพื่อหยุดความอยากแต่พอเราฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันไม่มี เราไม่ต้องเข้าสมาธิก็เหมือนเข้าสมาธิเพราะใจมันสงบโดยเพราะมันไม่มีความอยากมาลบกวนใจเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้ใจจะไม่อุ่นวายใจจะมีความสุขตลอดเวลาอยา ก, กําจัดความอยากได้ต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบระหว่างการทำความเอาความสุขจากความสงบกับเอาความสุขจาก การทำตามความอยากอันไหนดีกว่ากันอันไหนมีปัญหาอันไหนไม่มีปัญหาถ้าทำตามความอยากมันจะต้องมีปัญหาเพราะมันต้องไปเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ที่มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วก็หมดไปหมดก็ต้องหาใหม่หาแล้วไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ความสุขแต่สมาธินี้ต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเราทำสมาธิเป็นแล้วต้องการให้จิตสงบเมื่อไหร่ก็เราก็ทำได้นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเรารับเราท้าทายเลยว่ามีใครบ้างที่ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีเรื่องไม่มีอะไรที่จะต้องวุ่นวายใจหรือกังวลใจหรือห่วงใยรืออะไรมันมีทุกคนอะ เพราะเนื่องจากความอยากทั้งนั้าพออยากแล้วมันก็วุ่นวายใจขึ้นมามีก็กังวลใจเพราะอยากให้มันอยู่กับเรากลัวมันจะไม่อยู่กับเรามันก็วุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่วุ่นวายใจอะไรจะอยู่ก็อยู่อะไรจะไปก็ไปอะไรจะมาก็มาอะไรจะไม่มาก็ไม่มาได้ทั้งนั้นเพราะไม่ได้ไปมี มีปัญหากับเขาแล้วไม่ต้องไปพึ่งเขาไม่ต้องอาศัยเขาเขาจะอยู่เขาจะไปก็ไม่เป็นปัญหากาแฟจะหมดก็หมดไปไม่หมดก็ไม่เป็นไรไม่หมดก็ไม่เดื่มมันก็อยู่ในขวดนั่นแหละถ้าไม่มีความอยากดื่มมันจะหมดได้ยังไงไอ้ที่มันหมดเพราะมันอยากกินอยากดื่มอยากดื่มมันก็ต้องไปตักมันออกมาทีละช้อนเดี๋ยวมันก็หมดถ้าไม่มีความอยากดื่มมันมีเท่าไหร่มันก็จะอยู่ของมันอยู่งนั้นแเออ เนี่คือประโยชน์ของการมาทําใจให้สงบเนี่ยที่มาบวชนี่ก็เพื่อที่จะมาทําใจให้สงบแต่คนไม่รู้กันส่วนใหญ่มาบวชคิดว่ามาบางคนก็คิดว่ามาบวชเพื่อจะได้มาสวดมนต์ไปรับกิจนิมนต์ไปงานกิจไปงานสวดศพไปงานอะไรต่างๆหรือมาเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นนายยศเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็น อะไรไปคิดอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการมาบวชการมาบวชเพื่อให้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคาว่าภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดมาบวชเพื่อให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดจะหลุดได้ก็ต้องทำใจให้สงบมีความสุขแล้วเห็นโทษของความอยาก ก็จะตัดความอยากที่เป็นต้นเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันพอไม่มีความอยากในใจแล้วใจก็จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีร่างกายเพราะไม่มีความอยากดูจะมีตาไปทำไมไม่อยากฟังจะมีหูไปทไมไม่อยากลิ้มรสไม่ต้องมีลิ้นไม่ไม่อยากดมกลิ่นไม่ต้องมีจมูกไม่อยากสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกาย ก็ไม่ต้องมีร่างกายสบายอยู่แบบไม่มีร่างกายสบายกว่าเนี่ยแหละคือการบวชบวชเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะหลุดพ้นได้ก็ต้องกำจัดความอยากจะกําจัดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิมีความสุขก่อนมีความสุขที่เกิดจากสมาธิเราถึงจะใช้ปัญญามาเปรียบเทียบดูระหว่างความสุขที่ได้จากสมาธิกับความสุขที่ได้จากการทําตามความอยาก ถ้าไหนจะดีกว่ากันเออถ้าความสุขได้จากความอยากมันก็ต้องอยากไปเรื่อยเพราะเดี๋ยวมันหมดไงพอหมดก็ต้องอยากใหม่แล้วพอไม่มีร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มามาทําตามความอยากอีกมันก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันดีไหมล่ะไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยา ก, ยากตายพอแก่ก็ทุก bastard, ข์พอเจ็บก็ทุกข์พอตายก็ทุกข์กัน คนมาบวชเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายยึงมาบวชท่านหนึ่งเรียกว่าภิกษุภิกษุเป็นผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นภัยก็ต้องมากาจัดการเวียนว่ายตายเกิดก็ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องมาบวชแล้วก็ต้องมารักษาศีล้ิบเข้อห้ามไม่ให้ใจไปทำเรื่องอะไรตามความอยากต่างๆ ไอ้สินสอง้ีนี่ก็ห้ามเพราะว่ามันคนไปทำตามความอยากแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมาอยากนอนกับแฟนก็ไปนอนกับแฟนเป็นพระพอชาวบ้านเขารู้เขาว่าเขาไม่ใส่บาตแล้วนะถ้าถ้าทำตัวอย่างี้เขาก็เหมือนกับเป็นเป็นชาวบ้านด้วยกันเขาก็ไม่มาเรียกเราแล้วใช่หไหมก็เลยต้องห้ามเป็นพระไปนอนกับใครไม่ได้ถ้าอยากจะนอนก็ไปศึกซะก่อนแล้วก็ไปนอน ถึงต้องมีศีลคอยห้ามไม่พาไปทำตามความอยากต่างๆที่ชาวบ้านเขาลังเกียจเนี่ยต้องมีศีลแล้วก็นามาฝึกสมาธิทำใจให้สงบเพื่อให้มีความสุขมีความสุขแล้วก็จะได้เอาความสุขของสมาธิกับความสุขที่ได้จากความอยากมาเปรียบเทียบกันดูว่าอันไหนดีกว่ากันก็จะเห็นว่าความสุขจากความสงบนี่ดีกว่าก็จะเลิกความอยากต่างๆได้ เมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการบวชมีชาวต่างประเทศอยากสนใจอยากจะบวชไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องบวชหรือเปล่าเห็นคิดว่าบวชอาจจะเป็นแค่การกนหัวอหัวการหัวนุ่งเหลืองผมเหลืองแล้วก็อยู่วัดไปจะได้มีเวลาว่างอยู่เฉยๆมีคนเลี้ยงมีบ้านฟรีอาหารฟรีน้ำไฟฟรี ไม่ใช่อันนี้มันเป็นส่วนประกอบท่านันเองส่วนสำคัญของการบวชก็เพื่อที่มาตัดการเวียนว่าตายเกิดด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือสิ่งที่เราจะเอาไปพิพจารณากันถ้าอยากจะบวชอย่าบวชเพื่อมากินข้าวชาวบ้านบวชเพื่อที่เราจะมาตัดความอยากด้วยการฝึกสติสมาธิด้วยการรักษาศีล ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวารวะหาปุราปารุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิทธิตังปที่ตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพเปนตุสังกปา จันโทปนะระโสยตาเมเนจเดหระโสยตาสพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโน จตตารธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลังสมัยนี้การบวชง่ายคนก็เลยคิดว่าบวชแล้วง่ายสมัยก่อนนี่เขาไม่บวชคนให้บวชง่ายๆก่อนจะบวชนี่เขาให้อยู่วัดเป็นปีเลยบางทีให้ฝึกก่อนก่อนที่จะมาเป็นพระนี่เขาจะให้อยู่เป็นภระขาก่อน อย่างวัดบงดางวัดเช่นวัดหน้องป่าพงวัดของหลวงปู่ชานี่ท่านจะไม่ให้บวชมีชาวต่างประเทศมาอยู่ให้อยู่เป็นพราขาวไปหนึ่งปีก่อนอดูว่ารู้เรื่องหรือเปล่ า, าว่าการเป็นพระเป็นยังไงศีลของพระมีอะไรบ้างเอวิธีปฏิบัติตัวของพระปฏิบัติอย่างไรเอเขาไม่ให้บวชทันทีเอแต่ฝรั่งบางคนเป็นชอบพวกอยากรู้อยากลองเอ แล้เดี๋ยวนี้มันมีวัดที่เขาบวชให้ทันทีเยอะแยะไปหมดอยากใครเดี๋ยวนี้บวชเป็นสมัครปุ๊บเขาก็ให้บวชได้เลยเอบวชแล้วจะศึกเมื่อไหร่เขาก็ไม่ว่าเลยบางแห่งบวชเช้าบวชเช้าศึกเย็นไมเอีบวชหน้าไฟการบวชมันเลยกลายเป็นของเล่นไปทั้งวันนี้ไม่ได้เป็นของจริงบวชกันเล่นๆบวชเช้าศึกเย็นบวชเจ็ดวันบวชสิบห้าวัน บวชเล่นวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามาหกร้อยห้าสิบหกหกสิบเก้าวิทยุยี่สิบเจ็ดรับฟังข้างบนนี้สามสิบคนรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบสองครับเอวันนี้ YouTube มีปัญหาเลยคนทั้งนี้เข้าไปใน Facebook แทนเนะี่ยเฟซ o ุธรรมดาไม่เคยขึ้นหนึ่งหกร้อยกว่า เยะมากก็สี่ร้อยกว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมคําถามจากคุณสิริรัตน์นรัตการเจ้าค่ะดิฉันอยากจะเรียนถามว่าถ้ามีคนแสดงกริยาวาจาไม่ดีต่อเราอยู่บ่อยๆทําให้เราไม่มีความรู้สึกดีๆต่อเขาทําให้ไม่รู้สึกรักเปรียบเสมือนเขาเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักกัน ทั้งๆ ท, ที่จริงแล้วเขาคือเพื่อนร่วมงานของเราแต่ไม่ถึงกับโกรธหรือเกลียดหรือแค้นไม่คิดจะเอาคืนด้วยคำพูดหรือกิริยาวาจาที่ไม่ดีกับเขาการที่เราไม่รู้สึกรักและไม่มีความรู้สึกดีๆต่อเขาเราจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปแล้วก็เรียกว่าอุเบกขาไงไม่รักไม่ชังเอเพราะรักไม่ออกแต่เรารู้ว่า การโกรธการความเกลียดชังไม่ดีเราก็ห้ามใจเราใจก็เราเราก็เลยเฉยเฉยกับเขาไปก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ถ้าเรามีความเมตตากับเขาถึงแม้เขาจะไม่ดีเราก็ยังรักเขารักแบบไม่ใช่รักแบบเป็นเป็นคู่นะเป็นรักแบบเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนอะไรนี้ ก็เรยว่ารักแบบด้วยความเมตตาถ้ารักไม่ออกก็ไม่เป็นไรถ้าเมตตาไม่ได้การุณาไม่ออกมุทีตาไม่ออกก็เฉยๆไปก็ลักกันอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปทำร้ายเขาคำถามจากคุณบัญชาศีล ส, สนับสนุนให้เกิดสมาธิแต่ถ้าเรามีศีลห้าแต่ขาดตกบกพร่องไม่ครบเวลาเรานั่งสมาธิ เราจะได้สมาธิไหมครับก็เหมือนกับมันก็ยากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเรากินสุลาดื่มสุลาเราจะไม่นั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะเมาอาจจะมีสินสีข้อไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกแต่ไปดื่มสุลาพอเมาแล้วมันนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้อยู่นี่ ถ้าจะนั่งสมาธิมันก็ต้องมีสติไม่เมาเออจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เป็นคนน้อยเขาแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาหลวงและภรรยาหลวงไม่ทราบเรื่องแบบนี้จะมีบาปน้อยลงกว่าการที่ภรรยาทราบเรื่องไหมคะมันออไม่เกี่ยวกับเขาทราบไม่ทราบหรอกมันเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา เราไปประพฤติผิดประเวณีเออมันก็ใครจะรู้ไม่รู้มันไม่ไ ม, ไม่ทำให้บาปเรามากขึ้นรน้อยลงคำถามจากคุณกริตาวันพระอาจารย์เจ้าคะที่พระอาจารย์เทศว่าพระห้ามเสพเมถุนกับสีกาเฉพาะสีกาหรือรวมถึงเพศเดียวกันไหมเจ้าคะสมัยนี้โยมเห็นมีข่าวแบบนี้เยอะคะ่ะก็คงจะเหมือนกันนืองเพราะว่า มันก็เป็นการเสพเมถุนเหมือนกันคําถามจากคุณใจกราบนมัสการครับขอเรียนถามว่าบางวันศีลเราขาดบ้างพร่องบ้างจะส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างไรไหมครับมันก็ทําให้ปฏิบัติเราลุ่มๆุ ม, มดอนดอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีถ้าเราไปโกหกหลอกลวงใคยเวลามานั่งสมาธิบางทีมันไม่สบายใจ มันก็จะทำให้เรานั่งไม่ได้เพราะยังวิตกกังวลกับบาป ท, ที่เราไปทำอยู่ถ้าวันไหนเราไม่ทำบาปใจเราก็ไม่วุ่นวาย<ม>นั่งสมาธิก็จะง่ายกว่าคําถามจากคุณสถาพรกราบนมาสการครับเหตุใด ใ, ใจจึงไม่รู้จักอิ่มในการเสพกามยังคงอยากเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่เรื่อยๆครับ ความอยากมันไม่มีคําว่าพอไงความอยากมันจะมีแต่เพิ่มทวีคูณความอยากให้มากขึ้นความหิวความต้องการให้มากขึ้นคำหนึ่งมีคําพูดว่าได้เครื่ก็อยากได้สอกนะได้ได้สิบบาทก็อยากจะได้ร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้พันนะเห็นไหมตอนต้นเป็นเป็นพลตารวจเป็นพลทหารก็อยากจะเป็นนายสิบเนี พอได้ใน1ิบก็อยากจะได้ในร้อยพอได้ในร้อยก็อยากจะได้ในพันมันอยากไปเรื่อยๆคำถามจากคุณธนวดีกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราไม่หลับปัจจุบันขณะของเรามีให้เลือกระหว่างรู้กับคิดสองอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมคะก็มันก็ส่วนใหญ่เราไม่มีทางเลือกหรอกเพราะเรามีแต่จะคิดอย่างเดียว ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้งั้นถ้าเราอยากจะให้เหลือแต่รู้เราก็ต้องหยุดความคิดจะหยุดความคิดเราก็ต้องมีสติห้ามไม่ให้มันคิดพอไม่คิดมันก็จะเหลือแต่รู้อย่างเดียวคําถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูไปบวชถือศีลภาวนาเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าหนูทานมื้อเดียว และพอถึงบ่ายโมงก็ขึ้นไปรับศีลบนศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งวันก็ไม่ได้พักหรือว่านอนเลยค่ะจนถึงเที่ยงคืนหนูก็ได้ไปเดินรอบโบสถ์หนึ่งรอดรอบจนถึงตีสี่แล้วหนูก็ได้มาต่อทำวัดเช้ากราบเรียนถามว่าเพราะเหตุใดหนูถึงปฏิบัติได้อย่างไม่ได้ ย, ง ไ, ไดยงไม่เหนื่อยและไม่ง่วงนอนเลยเจ้าคะก็เพราะว่ามันมีความสงบไง ใจไม่มีความอยากที่จะไปทำอะไรมันก็เลยเพลิดเพลินกับการปฏิบัติของเราใจไม่ไปคิดไปตามความอยากต่างๆมันก็เลยมีความสุขมีความอิ่มใจไปกับการปฏิบัติมันก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยคำถามจากคุณหนุยวิญญาณมีจริงไหมครับ ก็วิญญาณก็คือจิตใจของพวกเราที่เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็จะไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทําบุญก็จะไปรับผลบุญถ้าทําบาปก็จะรับผลบาปผลของบุญผลบาปก็คือความฝันนี่แหละเราฝันดีก็เป็นผลของบุญเราฝันร้ายก็เป็นผลของบาปะ ตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เราก็ไม่ได้มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายก็เหมือนตอนที่เราตายตอนที่เราตายเราไม่มีร่างกายเราก็จะนอนหลับฝันยาวไปฝันดีฝันลายฝันลายก็เรียกว่าบายฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์แล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ตื่นขึ้นม า, างั้นวิญญาณก็คือใจของเราเนี่ยผู้รู้ผู้คิดนี่ เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณช่วงที่เราไม่มีร่างกายบางทีเราก็สามารถติดต่อกับจิตใจของผู้อื่นได้ถ้าจิตใจผู้อื่นเขามีเครื่องรับพวกที่นั่งสมาธิได้ขเขามักจะติดต่อกับดวงวิญญาณดวงดวงจิตที่ไม่มีร่างกายได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ติดต่อกับเทวดาทุกคืนอสอนเทวดาทุกคืนพวกเทวดาก็คือพวกดวงวิญญาณที่ฝันดีที่มีแต่ความฝันดีย ก็เรียกว่าเทวดาพวกที่มีแต่ความฝันลายก็เรียกว่าพวกอัพวกเปรตบ้างพวกผีบ้างพวกออนรกบ้างดังนั้นวิญ ญ, ญาณก็คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณคำถามจากคุณอัจฉราหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้กิเลสบางลงสิ่งไหนสำคัญที่สุดคะ ก็ต้องเริ่มต้นที่สติทุกอย่างเหมือนมันต้องมีจุดเริ่มต้นเรียนหนังสือนี่ต้องเริ่มที่ไหนนะก็เริ่มที่กอไก่ขอไข่ก่อนถ้ากอไก่ขอไข่ไม่ได้จะไปอ่านหนังสือได้ไงจะไปสะกดไปเขียนอะไรได้อย่างไยก็ต้องหัดที่กอไก่ขอไข่ก่อนจะกําจัดกิเลสด้วยปัญญาก็ต้องมีสมาธิถ้าไม่ไม่จะมีสมาธิก็ต้องมีสติ ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไงมันก็ไม่สงบะเมื่อมันไม่สงบมันก็จะไม่มีความสุขมาเปรียบเทียบให้ปัญญาเปรียบเทียบว่าความสุขแบบกิเลสกับความสุขแบบไม่มีกิเลสแบบไหนดีกว่ากันดังั้นก็ต้องเริ่มที่สติเราจะปฏิบัติธรรมจึงต้องเริ่มที่สติต้องควบคุมความคิดแท้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเลือเอ่อยเปื่อยอย่าให้ใจมันอยู่ห่างไกลจากร่างกายให้มันอยู่ ติดกับร่างกายหรืออยู่ติดกับพุทธโธไปคำถามจากคุณพันธิพากราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราได้มรดกมานำมาบริจาคอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้รับบุญที่เราอุทิศให้หรือเปล่าคะก็อยู่ว่าเขารอรับบุญหรือเปล่า ถ้าเขามีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญถ้าเขาไม่มีเขาก็ต้องมาเอารับบุญคำถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์ทำบุญกับพระอยู่ปริวาสกรรมได้บุญมากกว่าพระปกติในวัดเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเป็นความเข้าใจผิดพระที่อยู่ปริวาสกรรมคือพระที่ติดคุกเข้าใจ ไ, ไหม พระที่ทําผิดศีลแล้วถูกลงโทษให้ไปอยู่ปริวัติกรรมนี่เป็นพระที่ไปติดคุกที้ยเนี่ก็ไปคิดว่าพระที่ไปติดคุกก็ไปอยู่ไปนั่งเข้าสมาธิเข้าฌานอพอออกจากพ้นออกมาจากคุกก็เลยคิดว่ามีฌานมีสมาธิมาด้วย <Yes. S 1> ก็เลยคิดว่าทําบุญกับพระที่ไปอยู่ปริวาติกรรมแล้วจะได้บุญเยอะกว่าไม่หรอกจะทําพระกับพระอราหันต์หรือพระธรรมดา บุญที่เราทำเนี่ยเราได้เท่ากันหมดมันไม่ได้อยู่ที่คนรับเขา้าใจไมมันอยู่ที่การเสียสละของเราเราเสียสละน้อยมันก็ได้น้อยเสียสละมากมันก็ได้มากมันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับไม่เกี่ยวกับผู้รับบุญนี่อยู่เกี่ยวกับผู้ให้ให้มากก็ได้มากให้น้อยก็ได้น้อยส่วนผู้รับนี่จะเกี่ยวก็ตรงที่ว่าเขาจะให้เราอะไรเราก ล, ลับมา ถ้าเขามีธรรมะมากเขาก็จะให้ธรรมะกับเราได้มากเขามีธรรมะน้อยเขาก็จะให้ธรรมะกับเราได้น้อยเน่ต่างกันแค่ตรงนั้นแต่พาที่ไปอยู่บริวัสกรรมนี้เป็นพาที่ทำผิดศีลต้องไปติดคุกของพระเนี่ยการไปอยู่บริวาศกา ร, รก็คือให้ไปแยกตัวอยู่ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับพวกที่เขาศีลบริสุทธิ์ให้ไปชาระศีลก่อนไปใช้หนี้ก่อนไปติดคุกก่อน พอพ้นโทษแล้วจะค่อยกลับให้มาอยู่กับพวกที่เขามีศีลบริสุทธิ์ได้ที่เขาก็เลยมาโฆษณาว่าพวกที่ไปอยู่คุกนี่มีบุญมากกว่าพวกที่ไม่ได้ติดคุกไม่ใช่หรอกอ ก็าอ้างว่าถ้าไปอยู่คนเดียวก็จะได้นั่งสมาธิเข้าฌานได้ถ้ามาอยู่กับพวกที่ไม่ได้ติดคุกนี่ก็จะต้องมาสวดมาทําอะไรก็เลยอาจจะไม่มีเวลาเข้าสมาธิเขาก็เลยคิดว่าทําบุญกับพ้าที่ติดคุกนี่ได้บุญมากกว่าทําบุญกับพ้าที่ไม่ติดคุกเนี่ย mm hmm. คือสรุปแล้วเหมือนกันทํากับใครก็เหมือนกันในส่วนของการเสียสละอยากจะได้มากก็ต้องเสียสละมากต้องให้มาก ส่วนผู้ที่จะให้เรากลับมานี่อยู่ที่ว่าเขามีอะไรจะให้เราพวกที่ไปทำผิดศีลไปติดคุกก็จะมีอะไรเ้าก็มีแต่ความสำนึกผิดว่าเราต่อไปนี้ไม่ควรจะทำบะทำผิดศีลละทาผิดศีลแล้วถูกลงโทษคำถามจากคุณสิริหากออกจากสมาธิแล้วมีอุเบกขาติดมาในใจเมื่อมาอยู่ในสภาพปกติ มีใจเฉยอยู่ตัวใจที่เฉยอยู่นี้ใช่ตัวรู้ไหมพอนานไปมันก็หมดค่ ะ, ะตัวรู้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิกำลังพอสติอ่อนตัวคิดนั้นก็จะขึ้นมากบตัวคิดนี้มันจะเหมือนอภาพบนจอทีวีถ้าเราปิดทีวีภาพบนจอทีวีก็จะหายไปใช่ไหมเหลือแต่จอทีวี แต่พอเราเปิดทีวีขึ้นมาเดี๋ยวภาพมันก็โผล่ขึ้นมามันก็จะมากบตัวจอทีวีให้หายไปตัวรู้ถ้าไม่มีความคิดตัวรู้ก็จะเด่นรู้เฉยๆพอตัวคิดโผล่ขึ้นมามันก็เลยมากบตัวรูก้ก็เลยกลายไปอยู่กับตัวคิดแทนคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปรู้กับเรื่องนั้นไปแทนที่จะรู้กับตัวรู้ก็ไปรู้กับตัวคิดแทนแล้วตัวคิดมันก็จะหลอกให้เราไปอยากได้นูน่นอยากได้นี่ขึ้นมา ก็เลยเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาคำถามจากคุณปนัดดากราบนามัสการเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์อาชีพเลี้ยงสัตว์บาปมากไหมคะเลี้ยงว่าเลี้ยงเพื่ออะไรถ้าเลี้ยงไม่เอาบุญก็ไม่บาป เห็นหมาสงสารหมาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเอามาเลี้ยงมันไม่บาปหรอกหมาแมวจรจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาเลี้ยงมันแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อเอาไปฆ่าเอาไปขายนี่มันก็มันก็เป็นอาชีพไม่ดีเพราะว่าเราไปส่งเสริมให้คนเขาฆ่าสัตว์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ฆ่าเองเี้ยเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอมันโตเต็มที่คนที่เขาจะไปฆ่าเขาก็มาซื้อจากเราไปแล้วเขาก็าไปฆ่าเพื่อที่จะได้เอามาขาย และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําบาปเราก็เป็นผู้มีมีผลได้รับประโยชน์จากการทําบาปจากการฆ่าของคนอื่นเพราะเราได้เงินจากการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้มายังไม่จึงเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทําเพราะส่งเสริมการฆ่าส่งเสริมการทําผิดศีลเอถึงแม้เราไม่ได้ทําเองมันก็ไม่ควรจะทำํำควรจะทําอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตจะดีกว่าอ ขายขายกระดาษขายดินสอขายหนังสือขายเสื้อผ้าขายหยุกขายยาขายพวกนี้ไม่มีโทษมีแต่คนประโยชน์คำถามจากคุณต้นกราบนมัสการครับคุณแม่เคยทำแท้งจะช่วยเหลือคุณแม่จากบาปกรรมที่คุณแม่ทำได้อย่างไรครับ แล้วเราสามารถทําบุญอุทิศกุศลหรือสวดมนต์แผ่เมตตาให้วิญญาณที่คุณแม่ทําแทงได้ไหมครับอ๋อมันเรื่องของคุณแม่คุณแม่ก็เรื่องบาปนี้ทําไปแล้วแก้ไม่ได้ก็เพียงแต่เอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าอย่าตอไปอย่าไปทำเหมือนการกระทําที่ผิดไม่ควรจะกระทำแต่จะไปให้ โทษที่ทำนี้มันหายไปมันไม่หายมันจะต้องติดมาไปกับเราต่อไปแล้วอาจจะไปเกิดแล้วถูกเขาทำแท้งก็ได้แทนที่เราจะได้เกิดก็ไม่ได้เกิดเพราะจะได้เกิดแม่ที่เราไปเป็นลูกเขาก็ทำแท้งซะก่อน mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปรับผลต่อไปส่วนวิญญาณที่เขาถูกฆ่านั้นก็ไม่รู้แหละเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ mm hmm. เราจะไปอุทิศอะไรให้เขาอย่างไรก็ยังไม่รู้จะติดต่อกันได้หรือเปล่าถ้าติดต่อกันได้ถ้าเขารู้เขาอาจจะไม่ไม่ยอมก็ได้ใช่ไหมงั้นทางที่ดีอย่าไปทำก็แล้วกันทำแล้วมันแก้ไม่ได้อย่าไปแก้อย่าเพียงใดอย่าไปทำใหม่แล้วก็เตรียมตัวรับโทษที่จะตามมาต่อไปก็แล้วกันคำถามจากคุณปราณี กราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราจะนําวัตถุมงคลที่เราสะสมไว้มาแลกเป็นเงินเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นตั้งใจไว้เช่นนั้นมีผู้ขัดแย้งทําให้ลังเลขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําในทางที่ถูกที่ควรครับวัตถุมงคลก็เป็นวัตถุอย่างหนึง่งเป็นเหมือนออะไรลนะ โทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปเราจะเอากล้องไปขายแล้วเอาเงินไปบริจาค ก, ก็ได้เอาวัตถุมงคลไปขายแล้วไปบริจาค ก, ก็ได้ไม่บริจาค ก, ก็ได้ได้เงินมาแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรก็ได้มันไม่เป็นปัญหาอะไรวัตถุมงคลก็เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นที่ว่าเป็นวัตถุมงคลแต่ความจริงมันก็เป็นแค่วัตถุเป็นโลหะเป็นดินปั้นขึ้นมา แล้วเราก็ไปสมมุติว่าเป็นวัตถุมงคลแล้วเราก็เชื่อว่ามีฤทธิ์มีเดชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันกระศุนป้องกันภัยได้เป็นความเชื่อเท่านั้นเองความจริงมันก็เหมือนกับวัตถุทั่วๆไปเหมือนกับกระดาษเหมือนกับดินสอเหมือนกับนาฬิกาของพวกนี้ก็เป็นวัตถุเหมือนกันเราจะเอาไปขายก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร ขายแล้วจะเอาเองินไปทำอะไรก็ได้ไม่เอาไปทำอะไรก็ได้คําถามจากคุณธีรชาติกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับการข่มกิเลสโดยไม่ทําตามความอยากจะเป็นเหมือนเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนที่มีระเบียบวินัยเข้มงวดเมื่อเลิกเรียนออกมา จะเหมือนกับปลดปล่อยและทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ควรทำเพราะความเก็บกดหรือไม่ครับถ้ามันข่มด้วยไม่มีปัญญามันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าข่มด้วยปัญญามันจะไม่เป็นเพราะข่มด้วยปัญญามันจะรู้เหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรทำทำแล้วมันเกิดโทษกับเรามากกว่าเกิดประโยชน์ถ้าเรารู้คุณรู้โทษนี่เรียกว่าปัญญา ถ้าเรารู้ว่าทำแล้วมันเป็นโทษเราก็จะไม่ทาเราก็จะข่มมันไว้แล้วต่อไปกำลังของมันก็จะหมดไปแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานี่พอเราพอเราไม่ต้องข่มมันเราก็ปล่อยพอปล่อยมันเราทาตามที่เราอยากจะทามันก็มันก็จะไม่มีวันหมดังั้นการข่มด้วยการกดไว้เฉยๆนี้จะไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆได้ อยากกำจัดความอยากได้ต้องใช้เหตุผลว่าทำไมเราต้องกดมันไว้ทำไมเราต้องห้ามมันเพราะมันเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราหรือร่างกายของเราเช่นสูบบุหรี่ถ้าเรารู้ว่าทำไมเราไม่ควรสูบเราก็จะเลิกสูบอย่างถาวรแต่ถ้าเราถูกบังคับว่าห้ามสูบบุหรี่ในที่นี้เราก็จะไม่สูบแต่พอเราออกจากที่นี้ไปไปมีที่ที่เขาไม่ห้ามให้สูบเราก็จะสูบต่อน มันมันอยู่ที่ว่าจะเลิอกอย่างถาวรหรือไม่ถาวรถ้าเลิกแบบชั่วคราวก็ก็กดห้ามอยู่ที่ไหนก็ห้ามก็ไม่สูบพอไปอยู่ที่ไม่มีที่ไม่มีข้าวห้ามก็สูบเพราะไม่ไมไ ม, ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมไม่ควรจะสูบแต่ถ้ามีปัญญามีเหตุผลว่าสูบแล้วจะตายเร็วขึ้นจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเป็นอันตรายต่อชีวิต ถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่กล้า ส, <Huh. S 1> สูบก mm ็จะไม่อยากสูบนเราก็จะไม่ว่าจะอยู่ที่เขาห้ามหรือไม่ห้ามก็จะไม่สูบใช่ั้มถ้ารู้ว่า s <S mm. <adan S 2> มันเป็นอันตรายถ้ารู้ว่ามันเป็นยาพิษอย่างนี้ตรงนี้เขาห้ามดื่มยาพิษแต่พอออกจากที่นี่ไปแล้วไปที่ที่เขาไม่ห้ามดื่มยาพิษถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นยาพิษเราก็จะดื่มนยเพราะเราชอบเครื่องดื่มชนิดนี้แต่ถ้าเรามารู้ว่ามันเป็นยาพิษ เราให้ไปอยู่ที่เขาไม่ห้ามให้ดื่มก็จะไม่ดื่มมันอยู่มันจะห้ามแบบปัญญาหรือห้ามแบบไม่มีปัญญาถ้าห้ามแบบไม่มีปัญญามันก็จะห้ามได้เป็นพักๆไปที่ไหนบังคับไม่ให้ไม่ให้ทําก็ไม่ทําแต่พอไปอยู่ที่เขาไม่บังคับไม่ห้ามให้ทําก็จะทําต่อไปคําถามจากสัมเนธครับกราบนมัสการหลวงตาครับ ทำอย่างไรผมจะทำสมาธิได้นานครับก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่านั่งเฉยๆนั่งก็พุทโธไปถ้าพุทโธชั่วโมงหนึ่งมันก็จะนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งพุทโธสองชั่วโมงมันก็จะได้มันก็จะนั่งได้สองชั่วโมงลองนั่งดูสินั่งแล้วก็พุทโธพุทโธไปจะนั่งได้ไปเรื่อยๆตามได้ถ้าเรามีพุทโธอยู่ถ้าเราหยุดพุทโธเมื่อไหร่มันก็จะหายไปหมด คำถามจากคุณสิรนินันกราบเรียนถามพระอาจารย์คนที่รับประทานยาจิตเวชสามารถนั่งสมาธิได้ไหมเจ้าคะเราไม่รู้เราไม่ได้กินยานั้นก็ต้องไปถามคนที่เขากินดูเถนอนก็นั่งดูนั่งได้เปล่าคนีนขณะไม่กินยาอย่างนั่งไม่ได้เลยแล้วคนไปกินยาจะนั่งได้มันไม่ได้อยู่ที่กินยาหรือไม่กินยามันอยู่ที่หนึ่งอยากจะนั่งหรือไม่ สองเมื่ออยากแล้วมีสติหรือไม่ถ้าอยากแล้วมีสตินั่ ง, งมันก็จะนั่งได้ถ้าไม่อยากนั่งมันก็ไม่ได้จะมีสติหรือไม่มีสติมันก็ไม่นั่งแล้วมันมขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายอย่างไม่ใช่เพราะว่ากินยาแล้วก็จะนั่งเพราะคำถามมันถามแบบไม่ละเอียดเกาเลยต้องตอบแบบนี้ถ้าสมมติว่าเป็นจิตเวทแล้วอยากจะนั่งสมาธิ ก็กินยายาก็ยากล่อมประสาทนี่แหละ ย, ยาที่จะช่วยลดความฟุ้งซ่านของใจเมื่อความฟุ้งซ่านลดลงก็ถ้ามีสติพุทธโธได้ก็นั่งได้ถ้าไม่มีสติพุทธโธก็นั่งไม่ได้นั่งแล้วก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่ก็นั่งไม่ได้คำถามจากคุณนันกราบเรียนถามพระอาจารย์เมื่อนั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาขึ้น จะใช้อุบายอย่างไรเพื่อให้จิตสงบคะพุโทโธไปอย่าหยุดพุดโทโธอย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายมันก็จะนั่งต่อไปได้ถ้าไม่พุโทโธมีแต่ความอยากให้ความเจ็บหายหรืออยากจะเปลี่ยนอิริยาบถมันก็จะนั่งไม่ได้คาถามจากคุณต้นเพื่อนฝากถามชีวิตตกอับชีวิตไม่รุ่งโรจน์เหมือนเก่า มีวิธีควรวางใจอย่างไรเพราะเพื่อนบอกว่ามันทรมานเหลือเกินฟุ้งซ่านสับสนไปหมดเคยทำสมาธิเจริญสติก็ทำไม่ได้ก็ต้องมองความจริงว่าชีวิตมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำจิตถ้าไม่ไปยึดไปติดก็จะไม่ฟุง้งซ่านจะไม่เครียดจิตก็ยังสงบได้เหมือนเดิมทำสมาธิได้เหมือนเดิมเพียงแต่ต้องยอมรับความเป็นจริง ตอนนี้มันตกต่ำก็ยอมรับอย่าไปอยากให้มันไม่ตกต่ำเพราะถ้ายิ่งอยากมันยิ่งเครียดและพอมันจะมันยังเปลี่ยนไม่ได้เพะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นอะไรก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วใจเราจะไม่เครียดเครียดเกิดจากความอยากให้มันไม่ตกต่ำอยากให้มันขึ้นพอมันไม่ขึ้นมันยังตกต่ำอยู่ก็เครียดขึ้นมา ้นอย่าไปสนใจมันจะขึ้นหรือจะลงก็ให้รู้ไปเฉยๆเหมือนฝนตกแดดออกเนี้ยมันตกก็ต้องปล่อยมันตกไปแดดออกก็ต้องปล่อยมันออกไปเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปได้เราก็พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิเหมือนเดิมได้ถ้าเราอยากถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปยุ่งกับความตกตามของชีวิตตกตามก็ปล่อยมันตกตามไปเรามีหน้าที่ทาอะไรก็ทำไป เดี๋ยวถึงเวลามันจะขึ้นมันก็ขึ้นเองแหละอมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาชีวิตเนี่ยคำถามจากคุณหนุยการที่เราไปงานศพแล้วคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายอย่างนี้เป็นสติหรือปัญญาครับอ๋อเป็นเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญามันต้องมีสติเมันถึงคิดทางปัญญาได้ เขาเรียกว่ามนานุสติถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่คิดอมันพอไปงานศพเสร็จกลมามันก็ลืมนะมันไม่อยากคิดเนี่คําถามจากคุณนันตากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงสัตว์แล้วเราให้เขาไปแต่เราไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรเราจะบาปไหมคะก็เราถามว่าก่อนสิทำไมจะให้เขาโดยที่ไม่ถาม ให้ลูกให้ของให้ลูกเข้าไปแล้วจะถามเขาเขาไปทําอะไรหรือเปล่าถ้ า, าไปฆ่าก็อย่าไปให้เขาจะให้ก็บอกเขาก่อนห้ามฆ่าถ้ า, าไปเลี้ยงถอาไปให้มันอยู่อย่างมีความสุขก็เอาไปถ้าจะเอาไปแล้วไปทรมานมันก็อย่าว่าไปแล้วถามได้นี่ทำไมเรื่องนี้ไม่ไม่ถามขออนุ ญ, ญาตถามครับคําว่า ไม่มีรอยเท้าใดในอากาศหมายความว่าอย่างไรครับก็ในอากาศไม่มีรอยเท้าที่ไหนเนอะฮะใครเอารอยเท้าไปเหยียบบนอากาศได้มั้งไม่รู้จะตอบเนี่ยความจริงใครเอารอยเท้าไปเหยียบอากาศได้การบรรัทการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ย หมั่นดูแลกายจิตของเราคือการรักษาศีลหมั่นทำบุญทาทานอยู่เนืองเนื่องแล้วก็หมั่นภาวนาอยู่ต่อเนื่องค่ะก็คือเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่จะนิพพานในวันใด ว, วันหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะก็กลงวลนไม่กังวลมันก็กังวันไปทำไมลนะ่ะค่ ะ, ะเหมือนกินข้าวเรากังวลจะอิ่มไม่อิ่มหรือเปล่า เราก็กินมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองถ้าเรารู้ว่าการกินข้าวอิม่มเราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเรารู้ว่าการทําทานนักษาศีลภาวนาพายเราไปถึงนิพพานก็ไม่เห็นต้องกังวลอะไรเจ้าค่ะเราก็ทําไปาทาไปแล้วเดีย<า>๋ยวมันก็ถึงเองเหมือนกินข้าวกินไปแล้วเดี๋ยวมันก็อิ่มเอง ไม่ต้องไปกังวลกับมันเลยค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องไปถามใครใช่ไหมเจ้าคะ่ะอ๋อต้องถามทีเพาถ้าทําไม่ถูกเอี่ยวมันก็ไปไม่ถึงมันต้องถามว่าตอนนี้เราทําอย่างนี้ถูกไหมอี่ยเราทําแบบนี้ถูกหรเปล่าไม่ถูกควรจะทําทอย่างไรออเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ต้องมีคนสอนต้องมีคนที่เขาทําถูกแล้วมาสอนเราถ้าทําไม่ถูกทําเองไม่มีวันที่จะทําถูกได้อ๋ อ, อสาธุเจ้าค่ะ คำถามจากคุณคสมจใจขอถามพระอาจารย์ถ้าที่บ้านมีแมลงที่ขึ้นมาจากพื้นไม้เยอะจนเราไม่สามารถนอนได้ต้องใช้ยาฉีดเราจะแผ่เมตตาให้แมลงได้แบบไหนบ้างคะ อ, อมันแผ่ด้วยยาฉีดไม่ได้แลอวแผ่ด้วยยาฉีดมันไม่ได้แผ่ก็ต้องจับมันออกไป เอาไม่กวาดหรืออะไรมากวาดมันออกไป <c oughs> ไม่แผลด้วยยาฉีดมันไม่แผลแล้วมันมันเป็นการฆ่าแล้ว เ, เป็นการจองเวรจองกรรมกันแล้วคำถามจากคุณสรันพรถ้าเราขุดสระเลี้ยงปลาเพื่อเอาไว้ขายจะบาปมากไหมคะก็เหมือนกับเลี้ยงสัตว์ที่เอาไปฆ่านะ เาคุสะเลี้ยงปลาเขาก็จับปลาไปขายไปฆ่าถึงแม้เราไม่ฆ่าเองเราก็เป็นผู้ส่งเสริมมีส่วนได้รับประโยชน์จากการฆ่าแล้วก็มีส่วนบาปด้วยคำถามจากคุณาการกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะทราบว่าเรื่องของกรรมเก่ามีจริงไหมคะ กรรมเก่าก็คือกรรมที่เราทำในอดีตไงกรรมที่เราทำเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ากรรมเก่าละกรรมใหม่ก็คือกรรมที่เราทําเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ากรรมใหม่มีก็มันทําอยู่ทุกวันนะ่ะคำถามจากคุณกฤติยาพ่อเสียชีวิตไปแล้วสะสมเล่ามียี่ห้อเอาไว้เยอะเราเอาไปขายแล้วนําเงินไปทําบุญหรือเราควรเททิ้งทั้งหมด เพราะว่าถ้าขายแล้วเอาเงินไปทาบุญเงินนั้นจะบริสุทธิ์หรือเปล่าครับมันก็เป็นสินค้าเป็นวัตถุอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไปส่งเสริมให้คนเมาเราไม่ได้เป็นคนทำบาปคนที่ไปดื่มเนะี่ยเป็นคนทำบาปถ้าเป็นไปได้ก็เททิ้งไปดีกว่าไม่ต้องไปทำบุญหรอกเพราะว่าทำบุญแบบนี้มันไปส่งเสริมให้คนอื่นเขาทบาป เพอที่จะเอาเงินเข้ามาทาบุญฮะก็ถ้าเททิ้งได้ก็ดีกว่าแต่ถ้าอดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินนี้ก็ไปขายแล้วเอาเอาเงินมาซื้อข้าวกินก็ยัง <im it> ก็ยังก็ยังเป็นประโยชน์อยู่แต่มันก็อาจจะมีไปทาให้คนอื่นเขาเกิดโทษได้ <im it> ถ้าเป็นไปได้ก็ดีแล้วลนะเททิ้งไปแนหะดีที่สุด <im it> อย่าไปเอาประโยชน์จาก สิ่งที่เสียหายเลยข้อสุดท้ายจากคุณกิติกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการอ่านและฟังคำสอนครูบาอาจารย์แล้วนำไปพิจารณาตามบ่อยๆในหัวข้อเดิมๆจะเป็นการจดจำหรือเปล่าครับเพราะบางครั้งคิดว่าเข้าใจตามที่ท่านสอนแล้ว แต่ต่อไปจิตเกิดลืมและไม่คล้อยตามเหมือนเมื่อก่อนครับคือถ้ามันเข้าใจมันจะไม่ค่อยลืมถ้ามันไม่เข้าใจถึงมันจะท่องจาไว้แล้วถ้าเราเลิกเราเลิกท่องเลิกคิดถึงมันมันก็ลืมได้แต่อะไรที่เราเข้าใจแล้วมันจะไม่ค่อยลืมมันจะจาได้ไปตลอดอยางงั้นก็ต้องพยายามฟังจนกว่าจะเกิดความเข้าใจ น่าจะเข้าใจอย่างถึงใจต้องเข้าใจจากการปฏิบัติมันถึงจะเข้าใจจริงๆถ้ามันเข้าใจจากการปฏิบัติแล้วมันจะไม่หลงไม่ลืมฉะนั้นก็ควรที่จะทบทวนอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทพระพุทธเจ้าบอกให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะเราไม่พิจารณาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะลืมได้เอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด